เรามั่นสัญญาว่าเราจะมีศีลมันดีก็ไม่มีศีล น, นะแต่อยู่ที่การกระทําอยู่ที่จิตเราเองถ้าเราตั้งใจงดเว้นเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นนะการสมาทานศีลมีอยู่สามแบบหนึง่งสมาทานวิรัตงดเว้นโดยการสมาทานสมาทานคืออย่างเงี้ยเรามาราตนาขอจากพระนี่ ขอจากพระก็คือมันจําไม่ค่อยได้อะเลยมาขอจากพระพระก็เลยพูดให้ฟังวสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ตั้งใจให้ดีนะขอให้มีอันนี้นะในใจนะแล้วก็ว่าสาธุพันตนก็มีข้อหนึ่งสองสาสี่ห้านี่เรียกว่าสมาทานศีลนี่แล้วศีลสมาทานศีลห้าอย่างเงี้ยสมาทานศีลเราสอง สัมปัตต ว, วิรัตคืออธิษฐานเราอเ น, นี่ยอธิษฐานตั้งใจตั้งใจว่าเราจะมีศีลอะไรข้อหนึ่งสองสามสิ่งข้าพเจ้าจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะหดเว้นการกินอาหารในมื้อเย็นอะไรก็คือแล้วแต่เราอธิษฐานเรียกว่าสัมปัตต ว, วิรัตภาษาอังกอันไหนยากกว่ากันสมาทานจต่พระกับตั้งใจเอง เออได้เห็นไหมตั้งใจเองยังยากกว่านะอันที่สามสมุิเฉดทวิรัตการงดเว้นหรือการเข้าถึงสภาวะศีลโดยการบรรลุธรรมสมุิเฉดคือการตัดขาดจากกิเลสอันนั้นเลยคือไม่ได้มาอ้างมาจากพระเลยคือเล่ามันก็หายไปจากใจเลยอันนี้นะก็เลิกไปเลยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเลยมันเป็นเองโดยธรรมชาติเหมือนฝรั่งเหมือน เหมือนคนขอทานในอินเดียเนี่ยเห็นไหมพวกอินเดียพวกชนชั้นวรรณะต่ำๆเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องขอศีลจากพระจากอะไรนะพวกฮินดูพวกอะไรเขาเข่งคัดมากนี่ยเขาถือศีลถือศีลแข่งคังมากวางอย่างเราไปดูที่บ่อน้ําตะโปบ่อน้ําร้อนเนี่ยคนอาบน้ําก็เป็นชั้นเป็นชั้นนะคนจนอาบข้างล่างอาบน้ําที่เขา คนรวยอาบก่อนเป็นพวกพ่อค้าอาบข้างบนมันเป็นน้ําตกกันเดียวกันนะมันไหลมันจะท่อเขาทําอวัยวะเพศผู้ชายแล้วน้ําจะไหลออกจากท่อนี่ลงมาเรื่อย ๆ, ๆแล้วขึ้นไปข้างบนก็เป็นกษัตริย์ขึ้นไปก็คือ น, นักปกของเขาไปเขาเป็นพระเป็นพรามณก็ต้องอาบตามลําดับเขาภูมิใจมากนะนะข้างล่างในน้ําจนเป็นยางและขี้ใครคนไหลลงมา แต่เขาก็อาบแบบนั้นคือเขาไม่ละเมิดศีลเน่ยเขาภูมิใจในสี่ที่เขาเป็นเขามีบ้านเราเนี่ยเฮ้ยมันปลอมเป็นกษัตริย์ขึ้นไปอาบข้างบนเลยเนี่ยนึกตาว่านะเขาไม่เป็นนะทำเนี่ยศีลมันที่จะเป็นคนมั่นคงแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นในศีลถ้ายึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติมากเกินไปยึดจนทัางไม่เปลี่ยนแปลงกันไมได็ เ, เรียกว่าศีลรัปตาป ร, รา ม, มาติ์จรงแหละไปยึดติดมันอืม คิดว่าจะหลุดพ้นจะดับทุกข์จะแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะประวัติปฏิบัติยึดมั่นถือมั่นในอันนี้ในเครื่องลังของของัขงศักดิ์สิทธิ์ความงมงายความข้อปฏิบัติแบบนังเออจะกินเจตลอดชีวิตแล้วคงจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่นะจะทําแบบว่านไ ม, ไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อวัดแบบปฏิบัติแบบนั้นดังนั้นเวลาปฏิบัติจเจริญสติ ถ้าเราจเจริญสติเราก็จะเป็นเป็นการปฏิบัติเพื่อ น, นํำไปสู่สมุติเฉททวีรัตงดเว้นด้วยการรู้แจ้งพอรู้แจ้งมันเป็นเองโอ้มันไม่มีความคิดพมไม่มีความคิดก็ไม่มีความปรุงแต่งไม่มีปรุงแต่งก็คือไม่ต้องมาอดทนอะไรมันเป็นโดยธรรมชาตินั้นเรามาวัดอันนี้ก็เป็นประเพณีนะรับศีลขอศีลคืนศีลเนี่ยสมมติ สมมุติทำบางคนตายกลับไปบ้านลืมเนะสียค่ารถมาอีกมาอะไรมาส่งศีลให้พระคืนะพระก็ไม่มีศีลหรอกถ้าโยมขอแล้วพระให้ได้เนี่ยมดพอดีแหละพระเนี่ยอันนี้พอบวชเมื่อวานนี้เขามานั่งในนี่เขาก็สมมุติว่าเป็นผู้มีศีลก็ให้ศีลโยมทุติยัมปิพุทธังสระนงังกจัจจามจริงๆไม่รู้มีศีลอยู่ตรงไหนนะบางองค์ท่องศีลก็ยังไม่ได้เอาตลปัดมาตั้งนี่ไม่มีอะไรนะด้านหลังนะั้เขียนไว้ นงมองมันจำไม่ได้ยังไงแต่โยมไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นความลับไม่ค่อยบอกคนนะ น, นะนะนะเพียงแต่อ่านเสียงสันส่นๆหน่อยก็ใช้ได้นะ